ผู้ทัวสวัสดีค่ะท่านฟังที่เคารพค่ะถ้าเป็นคนทั่วไปเขาจะต้องบอกว่าสวัสดีวันสงกรานรายการของเราสัญนีสนท น, น, นานะคะเราให้ราคาทุกๆุกวันสําหรับเดือั้นนะคะเท่าๆกันเดี๋ยวไปถามพระอาจารย์คือท่านอาจารย์ไพบูุญอภิปุลโนนะคะว่าสําสหรับในแต่ละวันเนี่ยเราควรจะทิ้งน้ําหนักให้มากน้อยแตกต่างกันอย่างไรถ้าหากว่าเป็นชาวพุทธ ว่าในช่วงเทศกาลสงการานต์เนี่ยก็แล้วแต่เราจะให้ราคานะคะถ้าเป็นตามประเพณีก็คือเป็นการขึ้นปีใหม่ไทยเป็นการที่เราจะได้สนุกสนานรื่นเริงเฉลิมฉลองทําในสิ่งดีงามแสดงความกตัญญูกตเวทิตาทั้งกับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วด้วยการทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้หรือว่าทั้งท่านที่ยังอยู่เราก็ไปรดน้ําดําหัว ขอพอรในฐาผู้ใหญ่เขาไม่ให้เราให้พรนะคะแต่เป็นคนที่ไปขอพอรอ่าเด็กๆ เ, เคยมาขอพอรเราคนที่อายุน้อยกว่าจะมาขอพอรเราเป็นต้นรายการนี้วันนี้ดิฉันได้กราบเรียนท่านอาจารย์ไพภูณ์และพี่ภูณ น, น, น์ไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการก่อนจะมาพูดเนี่ยนะคะว่าจะขอพอรท่านให้กับพวกเราทุกๆคนที่เป็นผู้ฟังรายการนี้ด้วยเราไป พบกับท่านกันก่อนนะคะก่อนที่จะได้ปฏิบัติธรรมในตอนต้นของรายการเพื่อความเป็นสิริมงคลกับทุกทุกท่านพบกับพระมหาภัยบูร์อภิปุลโนจากวัดป่า ด, ดอนหายโศอุดรธานีด้วยกันค่ะกราบุญสการ์ค่ะเอานพรพรก็หมายถึงสิ่งที่อันประเสริฐสิ่งที่ดีซึ่งสิ่งที่ดีสิ่งที่ประเสริฐเนี่ยเราสามารถเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีสติเป็นต้น เมื่อไรก็ตามที่เราพูดดีคิดดีทําดีนั่นะคือสิ่งประเสริฐเกิดขึ้นแล้วแต่นะสิ่งดีสิ่งงามสิ่งประเสริฐเกิดขึ้นในในกายในใจในวาจาของเราเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราต้องการเอ่พอพรอันประเสริฐในสิ่งดีงามเราก็พูดดีคิดดีทดําดีนะกับคนรอบข้างแต่นะคุณจะทำํำดีอะไรเรามาส่งไว้ในใจแต่นะเช่นในช่วงเทศกาลเนี้ยคนอาจจะสร้างบุญสร้างกุศลด้วยการให้ทานด้วยใช่ไหม ในะขณะเดีวยวกันอาจจะทำํำสิ่งที่เป็นอบายามุกสิ่งที่ไม่ดีก็ต้องคอยระมัดระวังนะเราทําดีแล้วอย่านะไม่ให้สิ่งที่มันไม่ดีเกิดขึ้นแตนะ่เพราะว่าถ้าสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีความเศร้าหมองนะเช่นบางคนทาบุญทํากุศลถึงญาติผู้ใหญ่นะแล้วก็เอาแต่ว่าไปกินเหล้าเมาเบียอันนี้ก็จะทําให้เศร้าหมองเราก็ลดสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นลงนะการเฉลิมฉลองอะไรก็ให้อยู่ในขอบเขตอยู่ในกรอบของศีล ศีลเนี่ยจะรักษาตัวเราในที่นี้แล้วโดยเฉพาะยิ่ง เ, เวลาที่เรื่องของใจก็สําคัญที่สุดนะเพราะว่าใจเนี่เป็นตัวควบคุมวาจาเป็นตัวควบคุมกายการที่เราจะทําใหา้มีพรมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นก็พูดดีแล้วก็ทําดีนะการทำทางกายดีเพรา ะ, ะนั้นอะไรละ่ะเป็นตัวควบคุมกายและวาจานั่นก็คือใจนั่นเองใจที่มีความดีความงามก็คือใจที่มีสติใจที่มีสติเนี่ยเวลาไปไหน พรนะพุทธเจ้าตรัสในที่นี้ว่าถ้าเธอไปไหนก็ตามเนี่ยถ้าเที่ยวไปอยู่ในสติปัฐาน4แล้วกจ็จะได้รับการรักษาเช่นเดีวยวกันถ้าเรามีสติจะไปเหนือล่องใต้ขับรถกลับบ้านไปเยี่ยมญาติผู้ใหญ่หนะ้ใจของเรารักษานะจะปลอดภยัยนะ้ใจของเราจะปลอดภัยจากมานจากเครื่องข้องต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของทางใจที่เราจะตั้งสติเอาไว้นั่นะในที่นี้เราก็มาตั้งสติกันเลยโนะดยการใช้ลมหายใจของเรานะระลึกถึงลมหายใจของเรา นะลมหายใจที่ผ่านเข้าผ่านออกมาตั้งแต่ท่านฟังตื่นขึ้นมาตื่นแล้วรนะะลึกถึงลมหายใจหรื อ, อยังอา้าวถ้ายัางเรามาระลึกถึงกันตอนนี้รนะะลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกในะสติของเราตั้งขึ้นละเวลาที่สติตั้งขึ้นแล้วนั่นคือใจของเราได้รับการรักษานะเป็นใจที่ประเสริฐละดีละนะในขณะเดียวกั น, ใ น, ในใรเราก็มาฟังพระสูตรนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการที่เราจะปฏิบัติอย่างไรกับนผะู้ที่มีสูงอายุ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของทิฏทั้ง6พระเจ้าได้เปรียบเทียบกับเรื่องของทิฏทั้ง6อย่างนี้บอกว่าพึงทราบว่าทิฏฐหเหล่านี้มีอยู่คือมารดาบิดาเป็นทิศเบื้องหน้าครูอาจารย์เป็นทิศเบื้องขวาบุตรภรยาเป็นทิศเบื้องหลังมิตรสหายเป็นทิศเบื้องซ้ายธาตุกรรมกรเป็นทิศเบื้องต่ําและสมณพราหมณ์เป็นทิศเบื้องบนทิศเบื้องบนคือมารดาบิดา อันบุตรพึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการว่าท่านเลี้ยงเราแล้วเราจะเลี้ยงท่านตอบ 2. เราจะทำกิจการงานของท่าน 3. เราจะดำรงวงศุล 4. เราจะปฏิบัติตนเป็นทายาทและ 5. เมื่อท่านทำกาละล่วงรับไปเราจะทำทักษิณาทานอุทิท่านติดเบื้องหน้าคือมารดาบิดาอันบุตร พึงปฏิบัติต่อโดยฐานะห้าประการเหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์บุตรโดยฐานะห้าประการคือห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ให้ศึกษาศิลปวิทยา 4. ให้มีคู่ครองที่สมควรและ 5. มอบมรดกให้ตามเวลาเมื่อเป็นดนังนี้ทิศเบื้องหน้านั้นเป็นอนว่าคบุตรนั้น กั้นแล้วเป็นที่เกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นอันนี้คือเรื่องของทิศที่หนึ่งที่เราพูดถึงมันดาบิดาหรือว่าถ้าเราจบเรบเทียบในที่นี้ก็คือผู้สูงอายุนั้นที่เราก ว, วัวเจ็บรวัต่อท้านอย่างไรเดียนฟัสาธุคับท่านฝั่งที่ครบครับพระจันทร์ไทบูร์อภิปุนโนจาวิปปะดอนหายโศก น, นนะคะท่านก็ได้เมตตาพูดถึง สิ่งที่สำคัญที่สุดนี่ยันเข้าใจว่าท่านให้พรผู้ฟังไปแล้วใช่ไหมคะตอนเป็นการให้พรให้ท่านทำกันเราเองแต่ว่าสาคัญมากนะคะเพราะว่าท่านพูดถึงสิ่งประเสริฐจะเกิดขึ้นก็ด้วยการที่เรามีสติทำแต่สิ่งประเสริฐใจเป็นสำคัญในการจัด ก, กากับพฤติกรรมของเราทางกายทางวาจาความคิดต้องมาก่อนนะคะใชะ่แล้วก็ได้พูดถึงสิ่งที่เนี่ยมีทั้ง วันผู้สูงอายุใช่ไหมคะใ่วันครบัวอ่าก็แล้วถึงหน้าที่ต่างๆพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงวางเอาไว้หมดเลยใช่ถ้าฟังดูแลท่านก็ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของเราจะปฏิบัติต่อบิดามันดาอย่างไรและท่านจะต้องดูแลเราตามทำอย่างไรในในเรื่องนี้ก็เปรียบเหมือนกับอย่างเรามีช่วงเทศกาลวันสงกรานต์วันปีใหม่วันเกิดหรือวันอะไรที่เราคิดว่าเป็นวันสาคัญสาคัญเนี่ย ราคิดว่าแม่วันนีน้มันจะต้องมีความดีความงามอะไรต่างๆเดี่ยซึ่งซึ่งล่าราดที่ผู้เช่าพูดถึงเรื่องของทิศตั้ง6เนี่ยตอนนั้นก็เป็นอย่างนั้นนะคือมีครว่าต์กุลบุตรคนหนึ่งก็เป็นเด็กรุ่นๆเนี่ยสักยีกว่ากว่าแล้วก็ออกจากบ้านมาอาบน้ําเรียบร้อยหวีผมแปรเลยแล้วก็คิดว่ามันก็เป็นเคล็ดนะนะว่าเขาออกจากบ้านมาปุ๊บเนี่เพื่อให้เกิดความเฮงในวันนี้นะวันนี้วันดีของฉันเพื่อให้เฮงฉันก็กราบไปทางทิศทั้งห กราบเป็นที่ตะวันออนที่ตะวนตกทิศเหนือทิศ ใ, ใต้ข้างบนข้างล่างกราบหมดอา้าวพระเจ้าไปเห็นว่าเฮ้ยเธอทําอะไรโอ้กราบทิศไงมันจะได้เฮงเฮงว่ายอย่างนี้มันจะได้ดีวันนี้วันดีฉันต้องทําดีกราบอย่างนี้เอาแล้วก็เลยเขาก็เลยถามพระเจ้าอ้าวาแล้ ว, แ ล, วแล้วในคําสองพระเจ้าอ่ะมีเรื่องทิศ6แบบนี้หรือเปล่านิพรามก็สอนนะมันเป็นของดีนะว่างกันแต่พระเจ้าก็เลยอธิบายเรื่องนี้ว่าทิศทั้งหคือเรื่องที่เราเกี่ยวข้องนี่แหละแล้วคุณวันสงกรานต์วันหยุดวันปีใหหม่่ออะไไรรยยาาางเเี้ก็ป เราต้องเกี่ยวข้องกับคนพวกนี้อยู่แล้วลูกเราบ้างพ่อแม่เราบ้างลูกน้องบ้างเดี๋ยวเจ้านายบ้างก็จะอยู่ในนี้หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยพระเจ้าบอกว่าปฏิบัติในเรื่องของทิฏฐิหกอย่างถูกต้องเนี่ยนะบทเพลชนะที่พระเจ้าใช้ตรงนี้ก็คือว่าทิศนั้นเนี่ยจะไม่เป็นภยัยจะเป็นที่เกษมไม่เป็นภยัยแตคนที่อยู่รอบตัวเราลูกน้องเราจะไม่เป็นภัยกับเราหัวหน้าเราจะไม่เป็นภัยกับเราคนที่อยู่รอบตัวเราจะเป็นภรรยาบุตร หรือว่าเจ้านายพวกนี้ยจะไม่เป็นภัยกับเราแต่ถ้าเราทําถูกเนาะค่ะไม่ได้พูดถึงจะเป็นคุณกับเรานะคะแต่บอกจะไม่เป็นภัยกับเราใช่ใช่ใชค่ค่ะอ่าเป็นเป็นเ้าเรียกอะไรคะค่ะเป็นพุธทธเจนะที่ยังคิดว่าสาคัญมากนะคะอืมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันเลยจริงๆละ่ะค่ะเพราะท่านเน้นคําว่าพระพุทธองค์ัสว่าจะไม่เป็นภัยกับเรา มันก็คิดถึงในสิ่งที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยคิดว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆคือเรื่องของการที่ลูกฆ่าพ่อแม่วัอนี้มันเป็นข่าวติดกันมาใกล้ๆกันท่านคงอาจจะได้ยินอยู่บ้างนะคะที่ว่าลูกฆ่าพ่อแม่แล้วก็ฆ่าพี่น้องอยกครัวว่า ง, งั้นเถอะบา ง, งั้นก็ฆ่าเองล่าสุดนี่ไปจ้างมีเพื่อนสนิทเพื่อนสนิทไปจ้างเข้ามาฆ่าอ๋อมีหลายเคสใช่ไหมไม่ได้มีเคสเดียว คือมันมีใกล้ๆกันสองกรณีอ๋อ oh. แต่ก่อนหน้านี้มันอาจจะมีนะคะอ่าอีกแบบหนึง่งทีนี้พอมาเป็นเกิดกันใกล้อๆ mm hmm. อี่ที่ว่าคนทั้งสังคมอคิดแล้วยิ่งถ้ามาพูดช่วงใกล้เทศกาลสงกรานเนี่ยมันก็น่าคิดว่าสถาบันสังคมเราเปลี่ยนไปไหมสังคมเรามันมีความรุนแรงเกิดขึ้นมากไปหรือเปล่าจนเกิดเหตุการณ์นี้ mm hmm. แต่ถ้ามาฟังพระพูทธเจ้าตรัสรู้ก็คือว่าเอาแค่เรื่องพื้นๆหน้าที่ที่เราควรทํา กับสภาพแวดล้อมที่เป็นบุคคลของเราก่อนก็นแล้วกันใช่ไหมคะใช่แล้วเรื่องความเป็นภายความถ้าเรารักษาอย่างดีอย่างเช่นเวลาเราไปอาขอพรผู้สูงอายุหรือว่าหัวหน้าเราหรือว่าคนที่เราเคารพนับถืออย่างเงี้ยไปรดน้ำดำหัวอย่างนี้ไปต้นเนี่ยนะเวลาท่านจะพูดอวยพรเนี่ยก็พูดในลักษณะอย่างเี้ยเราก็คือให้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีอันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาที่ต้องทําต่อบุตรก็คือถ้าพ่อแม่ของเขาเนี่ย ห้ามเขาเสียจากบาปได้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้นะตั้งแต่สมัยเด็กๆสอนขึ้นมานะเขความเป็นภัยจะไม่มีนะตรงนี้บทเพียจรชัยอันหนึ่งที่ผู้เช่าบอกว่าเป็นทิศเกษมนะเกษมก็คือดีขึ้นนั่นแหละนะเป็นทิศดีแล้วก็ไม่มีภัยนะเพราะความดีก็เกิดขึ้นภัยก็ไม่เกิดนะทีนี้บางพ่อแม่บางคนตั้งแต่สมัยเด็กก็เป็นพ่อแม่รังแกฉันไงนะให้ลูกเล่นเกมตามใจทุกอย่างนะเล่นเกมก็เล่นเกมโหดๆทีนี้แบบเกมโกรธที่มัน มันไม่ได้ประทึงปัญญาเท่าไหรนะ่สร้างสารรค์ความอะไระรุนแรงเกิดขึ้นอย่างเงี้ยแลก็เลยเป็นเหตุให้เป็นอย่างงี้เพราะฉะนั้นจะเป็นหน้าที่ของพ่อแม่เลยนะต้องให้เขาตั้งอยู่ในความดีห้ามเขาเสียจากบาปไม่ได้ทีนี้ถ้าเราสอดส่องในหน้าที่ดีแล้วนะเราก็สามารถที่จะทําทิศเนี้ยลูกของเราเนี้ยให้เป็นทิศทีเ่เกษมไม่มีภัยเกิดขึ้นไะด้อันนี้มันก็อยู่ที่สังคมก็มีส่วนเพราะฉะนั้นยิ่งถ้าสังคมมีผลมากในเรื่องของ ความคิดข้อเขียนหรือว่าสังคมพาไปเนี่ยยิ่งพ่อแม่ยิ่งต้องมีความเข้มแข็งทีเดียวซาบันพ่อแม่เนี่ยนะเชนพานค่ะแล้วถ้าดิฉันจะพูดสรุปแบบส่วนเลี้ยงลูกเนี่ยนะคะนี้ท่านจะว่าใช้ได้ไหมคือิก่อนเชื่อตั้งแต่สมัยสักเกือบ2ี่สิปีได้มีโอกาสไปปฏิบัติ ท, ทําในคอร์สหนึ่งเานแล้วมีคมรู้สึกว่าอ๋อถ้าลูกใครก็แล้วแต่นะ ได้มาปฏิบัติธรรมพ่อแม่เขาจะเหมือนกับมีคนช่วยเลี้ยงลูกให้คือตัวลูกเองเลยมีธรรมะคุม้มครองอื่ใช่เนี่ความที่ความที่ธรรมะอยู่ในใจนี่แหละเนี่ถ้าอยู่ในใจมารดาบิดาก็เป็นความรักความเมตตาถ้าอยู่ในใจลูกนีก็เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนความรักความเมตตาเหมือนกันถ้าอยู่ในใจลูกน้องเนี่ก็เป็นความซื่อสัตย์ถ้าอยู่ในใจหัวหน้าก็เป็นวิสัยทัศน์เป็นความเมตตาต่อลูกน้องอย่างนี้ไป ค่ะเพราะสังคมทุกวันนี้น่าเป็นห่วงจริงๆนะคะบางทีเราไม่มีโอกาสเลี้ยงลูกเต็มที่หรอกลูกเขาถูกเลี้ยงโดยสิ่งที่มาจากเทคโนโลยีอย่างอินเทอร์เน็ตอย่างนี้เป็นต้นนะคะใช่ใช่ภาษาที่หลายไปเรื่องสําคัญ <c oughs> สมัย<ช>ปัจจุบันยิ่งมีภาษามากเประเด็นแรกที่คุณยมติวพูดตั้งแต่แรกเนี่ยว่าคนเราเนี่ยจะรับรู้ถึงสิ่งภายนอกว่าวันนี้มันสําคัญวันนี้มันไม่ใช่สําคัญอะไรเนี่ยก็เพราะว่าเป็นเรื่องของภาษาตัวนึนง เช่นเรารู้ว่าวันนี้เป็นวันสำคัญวันสําคัญนะวันที่เราควรให้ความสําคัญให้น้าหนักเอาก็มาทางผัสสะเอ๊ะวันนี้เป็นวันเกิดฉันควรใช้น้ําหนักให้ความสําคัญกับวันนี้ต้องทําอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นเรื่องของผัสสะเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้ในความเห็นอาตมาคิดว่าวันไหนที่เรามีผัสสะเนี่ยเราจะมีเวทนาถ้าวันไหนที่เรามีเวทนาเราอาจจะเกิดความทุกข์ได้เราต้องระวังวันที่เรามีผัสสะนี่ในความเห็นอาตมานะค่ะ วันที่มีผัสสะคือวันที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจเรามันยังเปิดอยู่ไปกระทบกับอะไรก็แล้วแต่แล้วก็เกิดความรู้สึกที่ว่ามีเวทนานะครับแปลให้ง่ายสําหรับท่านที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยคําพวกนี้แล้วเราก็จะมีความทุกข์ใช่ไหมคะถูกต้องทีนี้ท่านผู้ฟังก็ลองคิดตามท่านพบูลเลยละกันค่ะวันไหนที่ท่านไม่มีผัสสะบ้างยกมือขึ้นมันไม่มีเลยขนาดฝันเรายังมีผัสสะเลยคิดดูกันแล้วกัน อองบอกว่ายากนะคะถึงแม้ว่าอาที่ท่านได้พยายามบอกให้อทําสมาธิตั้งแต่ตอต้นของรายการเ<ม>นื้อเชื่อว่าทุกคนบอกว่าผดษะ ม, มามากกว่าหนึ่งอ่ะอืมค่ะะฉนนั้ประเด็นตรงนี้ก็คือว่าทุกวันสําคัญสําหรับอุตมานะค่ะเพราะว่ามันมีผดษะทุกวันเลยเราต้องรักษาอย่างมากเลยสําคัญจริงๆค่ะดังนั้นทุกวันจึงมีราคาเท่ากันถูกต้องคือราคาก็เป็นตามผดษะมากหรือน้อย ผัสสะมากหลือน้อคือบางวันเนี่ยเราเจอสถานการณ์ที่มันวุ่นวายหรือสถานการณ์ที่เราชอบใจนะมันพวกนี้เป็นวันที่เราจะให้ราคาในชีวิตของเราเป็นวันสําคัญของเราเช่นวันแต่งงานของคุณหรือวันเสียชีวิตของคนที่คุณรักอะไรพวกเนี้ยเป็นวันสําคัญใช่ไหมตรงนั้นแหละเพราะว่ามันมีผัสสะมากไงค่ะก็เท่ากับว่าดิฉันเองไม่ได้พาท่านหลุดจากกรอบของประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามนะคะคือวันเหล่านั้นเราอยู่ในสังคมเราก็ต้องทําอยู่แล้วแต่ต้องทาด้วยการตระหนักว่า แต่ลวันแต่ละวันเนี่ยมีราคาเท่ากันหมดคือขึ้นอยู่กับตัวแปรคือพรรษาของเราจะทําหน้าที่อย่างไรถูกต้องถูกต้องถูกตอ้กตองค่ะอืมในเรื่องของเกี่ยวกับเทศกาลนี้ก็ยังมีอีกประเด็นหนึ่งคุณยมเตียวในพระสูตรที่พูดถึงเกี่ยวกับกุลบุตรที่เขาพูดถึงเรื่องทีส6เนี่ยพระพุทธเจ้าก็ให้ป้องกันเรื่องอบายมุกด้วยนะเพราะว่าของความเป็นคราวาสเนี่ยนะแน่นอนเราเกี่ยวข้องกับค น, นพ่อแม่อะไรต่างๆ่างพี่น้อง ค, อคือคือพระก็ไปอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะว่าพระนี่ออกจากเรือนละ แต่ถ้าคุณยังครองเรือนอยู่นี่คุณต้องเกี่ยวข้องกับพวกนี้แน่ทีนี้พอด้วยความเกี่ยวข้องกับพวกนี้คนต่างๆอะไรมันก็จะมีเงินเข้ามาเกี่ยวนะโภคทรัพย์เข้ามาเกี่ยวแน่เพื่อนเนะพราะฉะนั้นพระเจ้าก็จึงให้ระวังเกี่ยวกับอบายมุกด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าเป็นทางเสื่อมแห่งโภคทรัพยนะ์เช่นเรื่องเหล้ากิ น, ะนดื่มกินเหล้าอย่างเงี้ยนะซึ่งมีอันตรายนะพระเจ้าเคยตรัสถึงอันตรายของของสุราที่มีโทษอยู่ อยู่6อย่างนะ่าได้แตะไปตรงนี้อาตรมาจะอ่านให้ฟังนะค่ะอ่ะอ่พูดถึงว่าโทษในการตามประกอบ1หนึ่ ง, ง, งซึ่งการดื่มน้ำเมาคือสุราไดเมรัยมีอยู่6อย่างค่ะคือ 1. ความเสื่อมทรัพย์อันผู้ดื่มเห็นได้เองนะงก่อให้เกิดเหตุการ์ทะเลาะวิวาทนะเป็นบ่อกเกิดแห่งโรค 4. เป็นเหตุเสื่อมเสียชื่อเสียงนะเป็นเหตุทาให้ไม่รู้จักละอายและ6 เป็นเครื่องทอนกําลังปัญญาโทษมีอยู่หกอย่างเพราะฉะนั้นเรื่องสุราที่ต้องระวังจริงเ<ช>สียงเงินด้วยเสียชื่อเสียงด้วยทอนกําลังปัญญา<ช>ด้วยทอนกําลังปัญญาอืมออพอเล่าเข้าปากแล้วก็ทําให้สติเราคลองลําบากใช่ดิฉันเพิ่งดูสารคดีช่วงเทศกาสกลสงราน้องไปสัมภาษณ์คนทำโรงขายขาค่ะโรงสุกค่ะโอ้เข้าไปไงล่ะก <c oughs> ็จะ ขอแผ่นนะคคนทำโรงก็พูดถึงปริมาณการผลิตช่วงนี้เร่งการผลิตเพื่อให้สอดรับกับจำนวนผู้เสียชีวิตฟังเข่าวมันนะคะความต้องการของตลาดเนะใช่ค่ะแล้วเขาคงบอกว่าเอ่อช่วงสงกรานต์เนี่ยจะเป็นช่วงที่โรงขายดีออืแล้วพอช่วงที่โลงขายนิ่งๆเสมอๆเงียบๆคือช่วงเทศกาลเข้าพรรษาอ๋อเออไปกลับกันนะดิฉันคิดว่าทุกคนสรุปได้คล้ายๆกันหมดอ๋อคงจะเป็นเพราะเรื่องเล่า และคนขายเนี่ยเขาก็เลยมาสรุปตอนท้ายว่าเข้าใจว่าพวกคนื่มสุราน้อยลงในช่วงเทศกาลข้าวบัญชาค่ะอืมนี่แหละ <c oughs> นี่แหละเห็นได้ชัดเจนมันเป็นสถิติที่น่าสนใจเหมือนกันคือบอกเกิดแห่งโรคน ะ, คะเสื่อมทรัพย์ทะเลาะวิวาท <c oughs> มันก็พาไปตายได้หมดเสียชื่อเสียงไม่รู้จักละอายอย่างเงี้ย น, นะทอนกำลังปัญญาค่ะพ่อแม่จะต้องให้ลูกในสิ่งที่จะให้เขารู้ว่า อย่าไปยุ่งกับอะะมเมริกาพวกมันทำให้เสื่อมเอาแค่สุราเรื่องเดียวก็เห็นชัดเจนใช่ใช่นี่คื อ, อให้เขาตั้งอยู่ในความดีแต่ถ้าจะไปหัดดืมด่มริดดื่มเราก็ต้องห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้สําคัญค่ะทีนี้พูดถึงวันนี้นะคะนอกเหนือจากที่ท่านได้กล่าวไปแล้วถ้าหาก็เราจะพูดอะไรให้วนๆอยู่ในเทศกาลสงกรานเพื่อที่จะได้ให้ท่านทั้งหลายได้รู้ว่าพุทธเจ้าเนี่ยมีคําสอนซึ่งใช้ได้ในโอกาสที่ท่านกําลังหาจะไปใช้ตรงๆ การเป็นวันครอบครัวครับใื่ใครอบครั ว, รวก็จะเป็นพูดถึงเรื่องกับลูกใช่สามีภรรยานะซึ่งหนะ้าที่ของสามีภรรยาที่ต้องมีต่อกันและกันเนี่ยถ้าเป็นสามีนะสิ่งที่ควรจะต้องทำกับภรรยานะัคือ1ต้องยกย่องเขานะสองด้วยด้วยการไม่ดูหมิน่นะสามไม่ประพฤตินอกใจสี่เมาความเป็นอย่างในหน้าที่ให้นะแล้วก็5ด้วยการให้เครื่องประดับ เครื่องประดับนี่ก็สําคัญนะเรามาเคยเจอคู่หนึ่งภรรยาเขาบอกว่าสามีเนี่ยตั้งแต่แต่งงานกันมาจนลูกปัดนี้เข้ามาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเครื่องประดับที่ให้ชิ้นแรกก็คื อ, อตอนมันแต่งงานนั่นแหละนะหลังจากนั้นไม่เคยให้อะไรเลยเอันนี้ก็แสดงว่าทําหน้าที่ไม่ถูกอ่ะนะก็ต้องให้บ้างนะส่วนเรื่องของภรรยาเนี่ยที่ควรจะปฏิบัติต่อสามีนะก็คือด้วยการให้จัดแจงการงานอย่างดีนะสูงเคราะห์คนข้างเคลียงไม่ประพฤตินอกใจ ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่แล้วก็ขยันขันแข็งในหน้าที่ต่างๆนีสสำคัญก็จะเกือ้อกูลกันได้ค่ะพูดถึงถ้าเรามองย้อนกลับไปในที่มาที่ไปของเทศการเนี่ยนะคะยังเข้าใจว่าก็คงจะมีเหตุผลที่เป็นปรัชญาของคนที่คิดอยู่ว่าคงไม่ได้ทำเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานแต่หลักแล้ว จะต้องการจัดลงสิ่งที่ดีงามไว้เช่นถ้าเรื่องชัดๆก็คือเรื่องความกตัญญูใช่อันนี้เอามาสังเคราะห์นะคะ ม, มาให้คิดถึงบรรพบุรุษผู้ล่วงลับไปแล้วเรื่อง <c oughs> ถัดมาก็เป็นการให้ผู้ใหญ่อวยชัยให้พรเป็นผู้ที่มีคุณธรรมมากกว่าก็อาจจะให้พรทำให้เรามีหลักในการนำรงชีวิตซึ่งวันนี้เราได้ฟังจากบุคคลซึ่งเป็นศาสดา ข, ของโลกเลยนะคะ นั่นคือธรรมะจากพระพุทธเจ้าที่พระมหาภัยบุญอภิปุณโณจตวิป่าดอนหายสได้นํามาฝากพวกเราเอาเปในตรงนี้เรื่องของลูกก็ด้วยเหมือนกันนะเพราะ<ช>คารอบครัวนอกจะมีพ่อแม่แล้วก็ต้องมีลูกนะเมื่อเมื่อสกุรูพูดถึงเรื่องของลูกไปแล้วนะเวลาที่เราจะสั่งสอนลูกเนี่ยบางทีไอ้ความที่เราต้องห้ามเขาเสียจากบาปก็ให้ตั้งอยู่ในความดีอย่างที่พูดตั้งแต่ตอนแรกว่าอย่าเป็นพ่อแม่ระแกฉันเนี่ยอันนี้เราต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งเพราะฉะนั้นการที่พ่อแม่เองเนี่ย ต้องฝึกจิตรักษาจิตให้มีสติอย่างดีและมีความเข้มงวดในการสั่งสอนและต้องมีขุศ โ, โลบายอะไรตรงเนี้ยนะเป็นปัญญาที่คุณจะต้องสั่งสมนะเราก็เป็นความรับผิดชอบที่เราต้องทําแล้วก็ช่วยกันดูช่วยกันแลไปยี่ดว่าเนาะเชร์รพรค่ะสาธุค่ะก็ได้ครบทุกประเด็นนะคะยังคิดว่าสําคัญมากค่ะในการจะเลี้ยงคนคนหนึ่งให้เขาเติบโตไป ในทิศทางที่พอดีพอดีเหมาะสมกับการจะอยู่บนโลกใบนี้เพื่อคุ้มครองตัวเองได้แล้วก็ไม่เป็นภัยกับคนอื่นแถมยังเป็นประโยชน์กับคนอื่นด้วยพ่อแม่คนไหนเลี้ยงลูกไม่เป็นบางคนอาจจะบอกว่าไปอ่านตำราแล้วก็แหมยังงั้นงั้ น, นลองสิคะฝึกตัวเองท่านให้ศึกษาธรรมะของพระาศาสดาแล้วเอาไปเลี้ยงลูกเดี๋ยวเชื่อว่าท่านจะได้พบว่าโอ้โหเป็นสุดยอดขุมทรัพย์ของวิชาการในการที่จะกล่อมเรา สร้างบุคคลขึ้นในสังคมนี้แล้วก็เหมือนกับเป็นการให้บรดกที่ดีที่สุดกับพวกเราเหล่านั้นด้วยเทศการสงการานต์นี้ก็ต้องกราบนมรดการขอบพระคุณท่านเปริบุญเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะที่ได้หยิบยกได้อัญเชิญดีกว่าธรรมะของพระศ า, าสดามาให้พวกเราก็กราบนมรดการขอบพระคุณท่านด้วยความเคารพเป็นอย่างสูงไว้ในโอกาสนี้ค่ะนมรดการค่ะเต็มปานค่ะท่านฟังค่ะแล้ว ท่านไปบูรเองเทศกาลสงกรานต์ดิฉันลืมถามไปอย่างว่าที่วัดมีส่งน้าพระหรือเปล่าเดี๋ยวก็ในวันถัดไปเราไปถามก็ได้ว่าครั้งพุทธกาลเนี่ยมีเทศกาลนี้ไหมแล้วก็พระพุทธองค์ได้เปิดโอกาสให้มีการส่งน้ําพระ ก, กันหรือเปล่าถ้ามีส่วนตัวของท่านไปบูรกับพระสงฆ์ที่อยู่ที่วัดป่าดอนไฮโซนําโดยหลวงพ่อรักเตอร์สะอาดเนี่ยนะคะ ในช่วงเทศการสงกรานต์ท่านก็ได้ทําหน้าที่ทําให้ทุกๆวันเหมือนเหมือนกันอย่างที่เดนได้พูดตั้งแ ต, ต่ตอนต้นก็คือทําให้มีพรรษาดีมีคอสปฏิบททัติธรรมที่นั่นในช่วงนี้เร น, นก็มีสามีเพื่อนมีลูกเพื่อ น, นอก็ไปปฏิบัติกันช่วงนี้เพื่อที่จะเป็นการาย้ําในสิ่งที่ได้ทําให้ยิ่งยวดมากยิ่งขึ้นคล่องแคล่วมากยิ่งขึ้นเจริญมากยิ่งขึ้น ขอให้ชีวิต ท, ทุกท่านนะคะนามอธรรมะไปปฏิบัติแล้วพบกับความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นในช่วงเทศกาลสงการานต์ทจะอวยพรกันแบบทางโลกก็ขอให้เป็นปีใหม่ไทยที่ท่านมีชีวิตที่ดีกว่าเก่าเจริญในธรรมนะคะผุทวสวัสดีค่ะ